ถ้าเราทําอาจสงทนุ่เมื่อเามานั่งมันก็ไม่พอจะหมดกันเหมือนกันจะเป็นก็ต้องลงนั่งข้างล่างอีกเหมือนกันอพอยุ่งๆกันในดีนี่แหละ อ, อ, อ น, นี้ได้มาการเริ่มอะไรทยอยขึ้นมาครับกำลังทยอยขึ้นมาทาอาหารนนาาก็กำลั ง, ง, งอาน้ำกันบ้างมาถึงหน้าเย็น ที่มาทังคนพอรอมกับมาอ้อมกันังนั้นไหนอ้อมมาทางไหน ม, มาทางเสียยะโสทางยะโสครับทางยะโสมาทางยะโสะงพรกองค์อะไรกันท่านพอเพือ่องกัน เ, เียเคียเียตอนนี้นก็มีท่เจอยู่นะครับ่จแล้วกอมรมาโาอยที่น้าลูกครับืระหว่างันธ์ตแล้วก็ึ้นไปทางเหนือก็มีไปที่จังหวัดตากตอนนี้เจอท่านเด่นท่านเด่นไป พรเพื่อเขเป็นพระที่นักตรยูรูดานีนางมาหลายพันศาเกือบ50าันศา50าสันศาสมัยยุทธ์ลุนร่วมพรรษาพันษสี่พษาหนึ่ง อันหนเรามา่าเลมาฆ่าเลยมามาฆ่าเล่อไปจากกรุงเทพที่จุเทีคิดว่ามาดีสมเลย มาจากทเทส่วนนี้จึงเื่อมาจากวังเหนือตัวหน้าตาประตูต้องแพงเพ็ดทีมงากรมรัชทันไดยจัดที้ราชการเก็จะเอารัชทันโต๊ะหมู่โต๊อะไรอะไรแฉงคนะโต๊ะน้ำแข็ง ก็รวดมันสูงด้วยกระโดดรวดมันก็สูงด้วยไปด้นี่ถ้าถ้าตกลงเอารับปหนาผมจะเอาเองคนเดียวก็เลยตกองออครับปะนาตัวลงเอารับปะนาแล้วอ้าถ้าอย่างนั้นเกาะ มูลค่าที่เขาเอามาก็จะเอาน้อมเพื่อบคุณสมานอยู่ในระหว่างหกหมืนคือเขาเออกมาแล้วแล้วมาให้เสียศรัทธาเขาถ้าเราจะเอาไปใช้ทางอื่นก็มาได้มันจนเลือกปูก็ต้องอไปแถวปูของมันว่อย่างรที่เขาเลยมดปัญหากัน ถ้าจะปล่อยให้นางบุญกองเอาออกท่านปล่อยให้นางบุญกองทำเนื้อนางบุญกองจะประคูดเราพี่น้องมันก็เสียเราอีกมันก็ไม่ถูกเหมือนกันมันจะหนักนางบุญกองเกินไปถ้าปล่อยให้นางบุญ ก, กองจอัดเสดจัดจเสดเสด เงิน เ, เ, เ, เ, เ, เ, เนยอะเยแสเงนเสมันใช้ของาถ้าหากว่าเขาให้สงเป็นงวดเขาเป็นส่งให้ส่งเป็นงวดล็อกปู่ก็ต้องเป็นนี่เขาเดอะล็อปู่ตาค่าคืนก็ยกไปโคาไทยนาให้เขาห่นะคหืมหัวนีม่ี่า้ง มันก็ไม่ถูกมันก็ทับถมหลวงปู่อยู่เหมือนกันหลวงปู่แม่รููจักประมาณตัวเป็นนี่เป็นศีลธรรมชา่าโลกเขาถูกเหมืนกันเขาดูถูกเหมือนกันโลกเขาชื่อเสียงมาดีอด้วยมันจะทําให้เสียเกียดเสียยศ ด, ด้วยชราลังนี้ไม่ต้องออกมันเลยยกเลิกกัน เทปูนแล้วก็คัดเทปูนแล้วก็เอาหินคัด้ก็ดีข้างล่างเขาคัดอยู่หรอกเขาดีอยู่พอทำดีถ้าทำลื่นมากเขาไม่งด้คดแก่ร่ม ขำอาถางทําอะไรสร้างอะไรเป็นนี่เป็นศีนเขามันไม่ดีมันเสียเกียรเสียยบมันเสียมากกว่าได้หลวงปู่มหาเคยสอนหลวงปู่ม่านเคยสอนจะทําอะไรต้องมองดูกําลังของตนถ้าทําเกินน้ําหนักกําลังของตนหลังหักตายสังพูด ต้องรู้จักอัตตารู้จักประมาณตนน้องูให้ให้คนเขียนเป็นไม้อยากถามไหมคะไม่รู้ทันทีว่าเหนุใดมือเราเขาหลอกแม่ๆตั้งแต่เดือนโกราณเขียนเขียนเปไม้่ะเขียนไปว่า ให้หลานมาหาโดยหลวนมีเรื่องจะศึกษา น, นั่นไม่มีน่เสีย ไ, ไ, ไปดูลายมือใช่ไมลายมือหลวงปู่แล้วไปดูมันประทับกามันทิ้งสมุดปาการเท่ากับที่มันรับบบางคูรับเอามาส่งวัดไม่เขียนเขีขยเรากวหลานเขาเกินกหลานมาก หลานก็ปฏิบัติธรรมะอยู่ตามภาษาแล้วกวนหลานทำไมมันจะเรื่งของคนอื่นต้องเอาไม้ที่มีเรื่ยของสาด่วนทายบมาดวนลงก็ไปหาผู้กองผู้กองเป็นลายมือทุกคู่ไม่ใช่ายอชั้นวงปดูที่มันตัากาวนั่นเอาไปทิ้งแชมุประการแล้วมันจะส่งไปบางกูบางกูก็ตั้มล้ำก็ผสมไป มันลหล่อฟวงอะไรอืมหลออฟวงจำ้ย่มเดียเนี่ยในวัดเนี่ยมีในวัดำให้บุหรี่บ า, า ย, ยมีน้ำซ้ำมีคนเอาไปลงในหนังสือลงในหนังสือหลบทิพยลกทับ okay. แล้วก็เขียนตามอีกขอให้คุณนานนท์ทรงกรุโาอย่าได้เอาไปลงเลยเพราะปฏิปทาของหลวงปู่มั่นไม่มีเราก็บอกโกงๆนะอย่างนีแต่อัตมาภาพไม่ท่เตียมคุณนานนท์เลยเพราะคุณนานนท์เป็นคนเมตตาคนเมื่อีผู้ใดให้อาไปลงคุณนานนท์ก็ลงตามเขาแต่ได้ รายได้ลายเสียขุด อ, อนนนไปรับปปไทยนันก็ถูกแล้วแต่เมื่อทําอย่างนั้นมันก็ต้องอัตมาเขาต้องเสียหมดต้องยกเลิกกันโอ้ก็ยกเลิกดึงโอเค่ต้องซื้อดึงหรอกเขาก็เลยไม่เอาไปลงเอาไปลงนั่งซื้อโรกทิพมันไม่ใช่โลกทิพเดี๋ยวมันเป็นโลกแผลโลกขอโลกขูดโลกเต่าของเราเขีอน ก็เลยหยุดกันไม่ได้ลงตักปะิปะธาของร้องผู่มั่นไม่มีเรื่องเอแผ่ ข, ขอขอขุดขุดเก่าๆจัดการจัดางานเครื่อนวัดเพื่อกข่อข อ, ขอสร้างทุ่มห้างเงินสมทบการก่อสร้างเะียซอบแซมก็ไม่มีไม่มีไม่มีมมนะประทิธาขององค์ท่านเข้ามาเมื่อวันที่วันนั้น ไดล้พี่จ๋าคะที่ว่าคณะสิท่านพ่อซึ่งจะมาวันนี้ะโอ้ได้รับนะวะณะของลูกเองอเอน้องผู้ท่านทา่อไดยังไม่ได้อะไรแจกกันใครที่ยังไม่ได้น้องผหัวโค้ก็ะด้นุหนาเลย <c oughs> เหมือ น, มเมม น, น, นเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยอเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยอเพิ่มขึ้นมีประมาณ 3-5 แถวใครที่ยังไม่ได้ นี่คองของเดิมนี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเขารักษาลายมือของลองปูไป่ไว้นี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ต้องขอทุกคนนะถ้อเพิ่มขึ้นไ้หมคะเพิ่มได้ยังเอาให้พอกันะช่ไหมคงคงจะพอกันอยู่ มันก็เป็นด้วยสุขภาพของเราบ้างเป็นด้วยเราไม่สนใจบ้างบางที่ก็เป็นด้วยสุขภาพของเราที่เกี่ยวขับโรคบางชนิดบางที่ก็เป็นด้วยเราสนใจในธรรมะมากมันก็มันมีรถเหมือนกันเพราะเราไม่สนใจในเรื่องกินเรื่องถ่ายมันก็มีหลายสถานเพราะเรามันเป็นกังวลในเรื่องกินเรื่องถ่าย มีอะไรแล้วก็กินตามเรื่องฉันตามเรื่องดื่มตามเรื่องทีนี้มันก็เลยมาเป็นอารมณ์เพมันกเกลืไม่มีรสอร่อยพราะมไม่มุ่งเพราะมันไม่นักใกายในเรื่องกินเรื่องถ่ายมันเป็นอย่างนั้นก็มีหน้านที่ก็เป็นในโลกก็มีโลกและทุกขาภาพของเรามันไม่ใช่สุขภาพเรียกว่าทุกขาภาพซะทุกขาภาพอากายมั่นไม่แน่นอน บางทีมันก็มีรถบางทีก็ไม่มีรถเสรจแล้วนี่ทุกวันนี่เราปูกก็ไม่มีรถอะไรเฉยๆอยู่แต่ข่มเหงมันแต่พอถึงเวลาฉันก็ฉันให้มันแล้วเฉยๆแต่อยากจะให้มันอยากมันก็ไม่อยากบางทีก็ได้คุมมันในบังคับมันนั่งก็ได้บังคับบางทีฉันอาหารแล้วก็หมดวัน ไม่คมเห็นก็ไม่ไม่อยากขันมันก็เป็นด้วยสุขภาพบ้าเป็นด้วยเนื้องด้วยไม่สนใจบ้ามันก็มีหลายอย่างและเป็นด้วยนิสัยบ้านิสัยบางท่านก็เป็นห่วงในทางอยู่ทางกินพรุ่งนี้คูจะได้กินอะไรหนอต่อไปนี้คูจะได้ทานอะไรหนอะดื่มอะไรเนาะอย่างนี้เอามายุ่งหัวใจอย่นั้นมันก็มี เดี๋ยววนี้สายของหลวงปู่ไม่ได้เป็นถึงแม้จะมีกิเลสสักเพียงไหนก็ไม่เป็นไม่ค่อยเป็นแต่ถ้าเราว่าก็ไม่เป็นไม่ระดมเบมาะมีอะไรก็ฉันไปดึงไปแล้วก็แลีไปเดี๋ยวก็าม่นักไใจมากไบินทบาทก็ม้างตังถึงข้าไปก็ต้องไปหน้าที่ให้เป็นของเรืองหน้าที่ของเขาหน้าที่ไปเป็นหน้าที่ของเรา ควจะได้อะไรหรือไม่อะไรก็ไม่มุ่งไม่หมายว่าให้หนักใจและเบาใจด้วยให้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ให้มีหนักใจเบาใจในเรื่องนี้เขาเข้าใจหน้าสิเนี่อเข้าใจไม่เคัันนนรออ้้ ก็พยายามเท่ยงดูมันก็ไม่มีไม่เฉยๆมันไม่มีรถเตี้ยวรถเพลิรถอะไรอะไรย่างเ้ยเลยว่าหายน่ไงมันก็ไม่เหนื่อยมันก็อยู่ตามธรรมชาติมาเหนื่อยจนเกินไปเหนื่อยด้วยเกี่ยวกับอาหารที่ไม่อร่อยอย่างนั้นมันก็คงไม่เป็นมากแต่ว่าถึงเวลาฉันก็ฉันเฉยๆแต่ว่ามันไม่นักกายใครจะให้อะไรหรือไม่ให้อะไรมันไม่นักกาย เก่งว่าจะมาได้ฉันพ่งนี้กูจะฉันกับอะไรเนาะมีใครเนาจะให้อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีใจมันหยุดเองมันหยุดเองยิ้มค่ะยิ้มยิ้มค่ะยังไงวะจิตยิ้มเองค่ะเออมันยิ้มมันมันมีความรู้สึกถูกมันเกิดตีตีควงมหม่ ให้มันให้มันเกิดปีติอย่างนั้นแหะมันดีมันโสมนัสสาสหะตังมันปัญญาธรัมยุทธตังมันโสมนัสสาสหะตังมันสหคตรแล้วด้วยความสุขของมันมันก็ยิ้มในเอามันและอย่างนั้นมันจิตของมันเป็นพมโลกมันยินดีใะธรรมะ ถ้าสิ้ลมปราณในเวลานั้นเขาต้องเกิดเป็นพุทมโลกพุทมโลกที่พุทมโลกที่มีปีติพวกพุทมโลกเขาก็อยู่ด้วยฌานของเขาด้วยปีติของเขาไม่ได้อยู่ด้วยอาหารเหมือนพวกเทวโลกเทวโลกต้องอยู่ด้วยอาหารทิพย์พุทมโลกต้องอยู่ด้วยปีติความอิ่มใจในธรรมะของแต่และท่านละท่านละท่านนะท่าน เองนะคะเขาก็แม้กระทั่งตัวรู้ที่เรารู้อยู่ในกายของผก้ฆ่าเขาก็วางเขาเองเสร็จแล้วตัวสิ่งทุกอย่างเวลาเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นมาเกิดดับเกิดดับเราพิจารณาเกิดดับเกิดดับเขาก็เกิดขึ้นมาเขาก็ดับเขาเองเสร็จแล้วแม้กระทั่งตัวรู้ที่เรารู้อยู่เขาก็ไม่มีตัวไม่มีตนเขาก็วางของเขาเองค่ะพอเขาวางไปเองลูกก็อก็รู้ก็วางเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ รู้ไปเรื่อยๆนะคะทั้งทั้งที่วางแล้วแต่เราก็ยังรู้อยู่แล้วพอจิตหลังจากที่จิตยิ้นเองแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าก็รู้รู้ๆก็ลำตัวจิตว่าในเมื่อตัวรู้เราวางแล้วแล้วที่รู้อยู่เวลานี้รู้ด้วยอะไรเขาก็บอกว่ารู้ด้วยยานรู้ยานรู้เขาก็บอกว่าก็ปรากฏให้ให้รู้ต่อว่ายามที่มีก็มีการเกิดการดับ สัตว like, ์โลกทั้งหลายก็รู้หมดเลยว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาต่างกันยังไงแม้กระทั่งเป็นมนุษย์เป็นฝรั่งเป็นอินเดียเป็นแขรเป็นจีนเป็นสัตว์ในรายงลก็เห็นหมดก็รู้หมดว่าเกิดมาเป็นยังไงแล้วก็การดับเป็นยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าเขาเกิดมาเป็นฝรั่งเราเกิดมาเป็นคนไทยนี่เกิดเป็นสัตว์เลี้ยงลแต่ว่าในเมื่อเขาเกิดมาแล้ว เขาก็จะต้องเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในใกล้ตัวเขาเป็นสัตว์เลียฉันนกก็เรียนรู้ภาษานกหมาก็เรียนรู้ภาษาหมา้าฝรั่งก็เรียนรู้ภาษาฝรั่งคนไทยก็เรียนรู้ภาษาไทยพอเสร็จแล้วรู้ๆๆอย่างนี้ไปแล้วก็ดับไปนี่คือการเกิดของสัตว์โลกนะครับ ห, หลังจากนั้นก็เป็นการดับดับคนเราไม่ตายแล้วตายเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือเป็นโคเป็นมนุษย์หรือว่าเป็น สัตว์เดรัจฉานก็ตายตายเหมือนกันหมดแต่จะป่วยตายหรือว่าจะตายโหงหรือว่ายังไงก็รู้ว่าตายสภาวะการป่วยตายเป็นอย่างไงแล้วคนที่ตายโหงตายคืนก็เหมือนกับจิตที่ตกจากที่สูงลงมาและจิตนี้มันก็หลุดออกจากร่างไปพอมาได้สติอีกครั้งหนึ่งก็ว่าก็นึกขึ้นได้เออร่างเราอยู่ที่ไห น, นเขาก็กลับมาหาร่าง พอกลับมาหาล่างแล้วถ้าล่างนั้นบุกสลายเข้าล่างไม่ได้ก็แต่ตายโหงไปก็เป็นวิญญางออกจากล่างแต่ถ้ากลับมาล่างอีกครั้งหนึ่งเห็นว่าล่างแบบว่ายังเข้าล่างได้เขาก็จะเข้าล่างแต่แบบ้เจ็บทุกขเวทนาก็เห็นการเกิดการดับของสัตว์โตพอเสร็จแล้วพอเขาจบก็จบเสร็จเขาก็ให้แผ่เมตตาพรมวิหารสิ่งพอแผ่ให้เสร็จเรียบร้อยเขาก็บว่ายานที่หนึ่ง แล้วพอเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นอย่างที่สองอยางที่สองก็บอกอีกว่าอย่างที่สองก็รู้การอืเห็นตัวเองเคยเป็นเกิด อ, อดีตชาติเกิดเป็นนกกระจอกเทศแล้วก็เป็นออกมาเป็นไข่แล้วก็แม่ของนกกระจอกเทศก็กบแล้วก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วถึงมาเป็นตัว และหลังจากนั้นก็ไปเห็นตัวเองเกิดเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จบไปพอจบไปก็บอกว่ายานที่สองแผลพงที่หางสีพอเสร็จยองที่สองเสร็จก็เกิดเป็นยานที่สามเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาเห็นหมดพอพิจารณาเห็นหมดก็บอกว่ายานที่สาจบจบก็แผลพงที่หางสก็เป็นยานที่สีบอกนี่ยานที่สี่ คือโลกรุตละธรรมเก้าซึ่งอันนี้ลูกเองไม่เคยทราบมาก่อนว่าโลกรุตละธรรมมีเก้าอย่างเขาก็บอกโลกรุตละธรรมเก้าก็ทําให้ดูว่าคนที่จะเข้าโลกุตละธรรมได้ก็เหมือนกับเสาที่ปักถ้าเราจิตแล้วหวั่นไหวเสานี้ก็จะหวั่นไหวไปแต่ถ้าเราทาฐานให้แน่นแล้วแข็งแกรง่งแน่นแล้วมันก็จะแน่นอยู่กับผู้รู้อันนี้ของเราจิตก็จะไม่หวัน่นไม่ไหวแล้วก็บอกว่า ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าอะไรมากระทบมันก็เด้งกลับไปอะไรมากระทบก็กลับถ้าเรารู้ของเราอยู่อย่างนี้แม้กระทั่งเสียงที่พูดออกมาก็ปรากฏแทนที่จะได้ยินด้วยหูก็ไม่ได้ยินด้วยหูก็ไม่ได้ยินด้วยหูมันพุ่งมาตรงที่ผู้รู้เราเลยแล้วเวลานเราออกจากสมาธิถ้าเรามองไปมองไปในขณะที่เราอยู่กับผู้รู้ ก็ไม่ได้เข้ามาในรูปต่างๆไม่ได้มาปรุงแต่งจิต ก, ก็ไม่ปรุงแต่งที่เลสก่เดสก็ไม่ปรุงแต่งจิตเราก็าสังเกตดูมันก็เข้ามาที่ผู้รู้ตลอดตลอดเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าให้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้เหนียวแน่นให้แข็งแรงแล้วก็จะสามารถมองทะลุฟ้าไดา้ก็เป็นทิปตาทิพทาให้มั่นให้คงการทางพ้นโทธพ้น ก็มีอย่เท่านี้พอหลังจากนั้นก็รู้อยู่เรื่อยๆรู้ก็ถามบอกได้ที่รู้ในเมื่อตัวรู้วางอยู่แล้แลวได้ที่รู้อยู่คือรู้จักอะไรก็อบอกรู้จักยานรู้พระพุทธเจ้าท่านเรียนรู้ด้วยยานรู้ของท่านไม่ใช่นั่งแล้วแบบไม่รู้อะไรนั่งแล้วต้องให้มีปัญญารู้รู้ด้วยยานรู้ถึงจะเกิดปัญญายาน บอกไนดะ้ลหลังจากนั้นลูกก็รู้อยู่ไปเรื่อยๆก็มีความรู้สึกว่าอ๋อจิตของเราเองมีที่อยู่เป็นอย่างนี้เองในเมื่อจิตเรามีที่อยู่มันก็อยู่ในจิตมันก็มันก็มีความรู้สึกว่ามันเย็นจิตเย็นใจสบายจิตสบายใจมันรู้อยู่อย่างนี้นแล้วมันก็ไม่มีไม้กระทั่งคำสูงก็บอกว่ามันเป็นสัจธรรมมันเป็นปัจจตังทำเองเห็นเองรู้เองแจ้งเองเหนือคําสูงบุตรใดๆ บอกดีแล้วเสร็จแล้วพออันนี้เสร็จเราก็รู้อยู่กับตัวรู้ตลอดเวลาแล้วก็จิตก็สงบลง ส, ลงสลงงมุลงจนนไม่เรารู้ว่ามันไม่ได้อะไรอ่ยไม่มีคำพูดอะไรออกมาเลยว่าเราจะได้ยังไงจะเป็นยังไงมันก็ไม่มีพูดไม่มีอะไรออกมาแต่เรารู้รู้อยู่ตลอดเวลาว่ามั น, นเป็นเป็นยังไงอะไรเป็นก็บอกแม่แต่คำว่า ยิปผ่าก็ไม่มีแม้ว่าคาอะไรที่ที่สมบุติขึ้นมาก็ไม่มีก็ไม่มีคำสมบุกก็รู้ไปเรื่อยๆมันก็เป็นความว่างเป็นความว่างที่มันไม่มีอะไรแล้วก็ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นยิปพานมันก็อยู่ในตัวเราทั้งนั้นเลยที่เป็นนรกก็เป็นเพราะว่าจิตที่มันเกิดการปรุงแต่งหรือว่าตัดรอดในการทำความดีของเรา วิบากกรรมอันนี้ทําให้ต้องไปเกิดเป็นนรก mm. แต่ถ้าเป็นจิต ท, ที่เป็นกุสมระิตส่งเสริมให้เราทำความดีตลอดเราทําอะไรก็ส่งเสริมทําให้เราได้ไปเกิดบนสวรรค์เสร็จแล้วพอรู้ว่าอ๋อที่แพ้นรกหรือสวรรค์ก็อยู่ในจิตของเราแล้วถ้าเรารู้อยู่กับความว่างแต่ไม่ได้อยู่กับผู้รู้ก็ทําให้เราเป็นตายไปแล้วเนี่ยเราก็อยู่อยู่ อะไรอ่ะอรู้ตรงเพราะว่าเราไปอยู่กับความว่างที่ไม่มีตัวไม่มีตรงแต่ถ้าหากเราอยู่กับผู้รู้แค่จิกจิตนิดเดียวอยู่กับผู้รู้ตลอดเวลา อ, อ๋อรู้ว่างก็ให้รู้มีมันไม่มันไม่อย่างนี้ได้ายนะแล้วมีความรู้สึกมันก็ไม่มีอ า, ารมณ์เลยหลังจากนั้นมันก็สงบตรงแต่เราก็รู้อยู่รู้อยู่ในความว่า ที่่อยพุโรหะในตอนแนี้มันเกิดดับไปเหมือนกันเมื่อมันรู้ทานมันวางมันเองคมันได้ไม่ได้สมมุติวางมันวางมันเองมันปล่อยมันเองแค่แค่กับเราเริยนตาไม่ได้สมมุติให้มันเห็นไม่สมมุติให ให้มืดมันห น, น, น, นีมันหนีเองมันเมื่อเราทําถูกฉั้นใดก็ดีเมื่อเราทําถูกเราก็มาได้สมมุติเราวางคําว่าวางก็แปลว่าเป็นคําสมมุติที่เราพูดที่เราให้รู้จักความหมายกันเมื่อรู้เท่าทันกันมันวางมันเองเมื่อได้ทําพิธีวางอีกก็ไม่ผิดนะคะก็กไม่ผิด ค, คดจิตส่วนนี้ไม่เป็นอารูณ ป, ประจิต ถ้าตายคาเนี่ยยังไม่มียานว่าบวชนายยังไม่มียานว่ารุดพ้นมันก็ต้องไปเกิดอารูปประพรมผมเธ่ไม่มีรูปแต่พอมาหลังจากนี้เสร็จพอเห็นอะไรมันก็มีความรู้สึกมันเบือ่อมันมีความรู้สึกเราต้องไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้วอยากเร่งความเพียรต่อไปอีกเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่ ยังไม่พ้นทุก์เราก็ต้องกลับมาเรียนไหว้าตายเกิดเพราะฉะนั้นเราจะไม่จำาหาก็เรี่ยงความเปลี่ย น, นเรี่ยงความเปลี่ยนไปแล้วพอก่อนที่จะได้ยานอย่างเนี้นะฮะก็ลําพื้นอย่างนี้ยพอเกิดความโวดหนายก็เกิดความําพื้ลําพุ้นีน้ทํำยังไงนะ่าถึงจะพ้นได้ไม่อยากกลับมาเกิดเลยอะไรอะไรนี่ก็มีแต่ความวุ่นวายเหลือเกินอะไรอย่างนี้เขาก็ปรากฏให้เห็นว่ามันเป็นธรรมจักรวงล้อเป็นธรรมจกักรกลมหมุนอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่า ที่เป็นอย่างนี้มันหมุนมาไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นมันเป็นมาหลายภพหลายชาติแล้วหลายกลับหลายกันตราบใดที่เรายังต้องมาเกิดอีกมันจะต้องหมุนอย่างนี้ตลอดไปหลายกลับหลายกันเสร็จแล้วก็หมุนให้ดูให้ดูเสร็จแล้วสิ่งที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่ต้องมาหยุดที่จิตของเรานี่เขาก็ปุ๊บมาตรงนี้เลยนะที่เราเห็นธรรมจักร<ม>ก็หมหนุนก็มาจึ๊บอยู่ที่จิตก็แน่นจุ่มอยู่ตรงนี้นะก็เลยถึงจะอ๋อ อย่างนี้เองคือหยุดหยุดที่จิตของเราไม่ใช่ไปหยุดที่อื่นถ้าเราหยุดจิตของเราได้หยุดคิดหยุดนึกหยุดตรองหยุดทังถ้าเราหยุดตรงนี้ได้นั่นแหละหยุดหมาให้ความว่าไม่สำคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตไม่สำคัญว่าพระรูปเป็นตนตนเป็นพรโรูปไม่สำคัญว่า สิ่งว่างเปล่าเป็นตนตนเป็นสิ่งว่างเปล่ามันไม่สําคัญใดใดทางขึ้นที่พระบรมศาสดาเร า, ศาสมมุติท่านว่าเมื่อไม่เมื่อไม่ท่านไม่สําคัญหรองค์ท่านอยู่ที่ไหนอย่างนี้จะว่าท่านวางหรือท่านปล่อยมัคนขอนแน่เตือนเราจะให้คะแนนเท่านัน้นส่วนท่านไม่ให้ได้ให้คะแนนตนอะไร เพราะไม่สมันน ม, ม, สมคันตนอยู่ในที่ใดเมื่อไม่สัมคันตนอยู่ในที่ใดอุปาทานมันก็หายไปเองอวิชชามันก็หายไปเองมันมันก็กลายเป็นวิชาชนะสัมปนูเมื่อไม่เป็นอวิชชามันก็เป็นวิชาชนะสนัมปันูโมหะมันก็หายไปอีกบางครัง โมหะก็ดีอวิชชาก็ดี อ, ดอุปทานก็ดีก็มีความหมายอันเดียวกันผู้ที่พ้นไปแล้วไม่สำคัญตัวอยู่ในอดีตไม่สำคัญตัวอยู่ในอนาคตไม่สำคัญตัวอยู่ในปัจจุบันไม่สำคัญตัวอยู่ในภูรูและนอกภูรู ไม่สำคัญตัววางผู้ลู่และไม่วางผู้ลู่ผู้ลู่จะลู่สักเพียงไหนก็ไม่มีพิษจะไม่ลู่สักเพียงไหนก็ไม่มีพิษเพราะไม่มีพิษทั้งลู่และไม่ลู่เสียแล้วทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเส well. ียแล้วอดีตก็ส่งคืนให้อดีตตามเดิมอนาคตก็ส่งให้อนาคตตามเดิมปัจจุบันก็ส่งให้ปัจจุบันตามเดิม ไม่ม para para ีใครเข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเมื่อมีใครเข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นก็เป็นอุปาทานโดยตรงๆสิ่งนั้นก็ไม่เป็นของว่าเข้ามาสิ่งเหล่านั้นเป็นของว่ามากความว่าไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นก็จึงว่าถ้ามีผู้ไปยึดถือเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นเจ้าของอยู่สิ่งนั้นก็ไม่ว่า ใครเป็นมหาเป็นทุกไปะยะึดถือเอาเขาก็คือจิตถ้าจิตและผู้รู้เป็นว่างแล้วสิ่งอื่นก็ไม่ต้องลำบากจิตที่ไม่ว่างและสิ่งอื่นที่ไม่ว่างมันก็ออกไปจากจิตทท้งนั้นเพราะจิตเป็นตัวสมมุติ ด, ดั้งเดิมมาเติมสมมุติขึ้นภายหลังคือตาขจมูกเรีนกาย เม่อจิตมาเติมสมุด ต, ตาหูจมูกเลี้ยงกายขึ้นภายหลังตาหูจมูกเลี้ยงกายก็ไม่รับก็ไม่ปัดอีกด้วยท่านมาใส่ชื่อเรือนามมาครับพระเจ้าว่าเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายข้าพระเจ้ า, า, า, ก, ก, า, า, จาก็จะยินดีในท่านขอขอบพระคุณมากตาหูจมูกเลี้ยง ก, กายก็ไม่ได้ว่า และก็ไม่ปัดอยู่เหมือนกันตกลงก็อยู่ที่กับจิตกบผู้รูจิตกบผู้รูก็มีความหมายอะไรเดียวกันถ้าจิตละเ e อียดผู้รู้ก็ละเอียดถ้าความยึดถือจิตละเอียดความยึดถือู้รู้ก็ละเอียดเหมือกันู้รู้ว่าจิตเป็นอ น, นัตตาู้รู้ว่าจิตไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคลู้รู้ว่าผู้รูไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคล ใครเป็นโพลูก็พวกอนัตตารู้อนัตตานั่นเองจิตรู้จิตนั่นเองนอกจากจิตไม่มีอันไรจะรู้จิตนอกจากจิตไม่มีอันไรจะรู้เท่าทันเทียมถึงจิตนอกจากอัตตาไม่มีอนไรจะรู้อัตตานอกจากอนัตตาไม่มีอันไรจะรู้อนัตตาและก็ไม่มีอันไรจะวางอนัตตาได้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามกัน จะมีใครสมุดิหรือไม่สมุตก็ไม่มีพิษมีสง่งพวกมันพ้นไปจากพิษสงแล้วเหมือนนกบินในอากาศจะบินมดวันมดคืนก็ตามรอยของมันไม่มีเหมือนเรือเดินน้ำ จะเดินวนยังค่ํามันก็ไม่มีรอยเหมือนมีเฉือนน้ำจะเฉือนวันยังค่าก็ไม่มีรอยใจเป็นของสําคัญมากเป็นตัวเหตุตัวการถ้าใจเป็นผู้หยุดเหตุหยุดการแล้วปัญหาอันอื่นมันก็หมด ดินน <inter Hob art> ้ำไฟลมรอนร้วนไม่มีใจไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของก็เป็นแต่สาวะดีนน้ำไฟลมเยแล้วพอมาถึงตรงนี้ในความรู้สึกตายไปไ้าล้วท่านี้ได้ตลอดตายไปมาเกิดไม่มาเกิดไม่เกิใจอะไรทั้งนั้นเรามีความรู้สึกอยู่อย่างนี้ก็ไม่ไม่ ไ ม, ม่มากนะอะไรเลยรวมที่ปฏิบัติมาถูกต้องก็ได้แล้วค่ะถูกต้องอถ้าทำถึงชั้นนี้แล้วมันไม่สำคัญตัวว่ามันยินดีอะไรหรอกอมันทันปัญหาของเจ้าของหมดแล้ว ทีนี่เมื่อเห็นโลกเป็นแต่สักว่าโลกเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเป็นแต่สักว่าดินว่าน้ำว่าไฟว่าลมสิ่งทั้งไห น, นทั้งปวงอยู่แต่อำนาจอนิจจังทุกครั้งอนัตตาแล้วความเพลินในวัดเจ้าสงสารมันจะมาจากประตูไหนมันก็มาไม่ได้อีกเหมือนกันมันจะไปรวมพลที่ไหนมันก็ไปรวมไม่ได้อีกเหมือนกันมันจะขบวัตคืนที่ไหนมันก็ขบวัตคืนไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะมันเห็นพภอมชัดพ่ออารมห์หายใจเขาออกด้วยเห็นภอมชัดกับความนึกคิดด้วย เห็นความชัดกับผู้รู้ด้วยเมื่อผู้รู้ละเอียดลงเพียงไหนอนัตตาทำก็ละเอียดลงเพียงนั้นความเกิดดับก็ยิ่งละเอียดลงเพียงนั้นจิตนี่เกิดดับเป็นเหมือนกันเร็วที่สุดเป็นท่านที่หนึ่งเขาสัญญาก็เกิดดับเร็วเหมือนกัน ส, สัญญาไปเความจําสัญญารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นอาการแห่งจิตมันเกิดดับเร็วเหมือนกันโมติาโอโะโอสมารโมติาโอโะโอโตะสมาธาร์จนดับเร็วที่สุดความนึกคิดก็เกิดดับเร็วที่สุดตาไปกระทบรูปเกิดดับเร็วที่สุดหูกระบกระทบเสียงเกิดดับเร็วที่สุดธรรมารม ที่มากระทบจทบใจให้เกิดขึ้นทำมารมในอดีตด้วยในอนาคตด้วยเพราะปัจจุบันเป็นผู้ไปดึงมาดึงอดีตที่เคยเห็นมาแล้วดึงอนาคตที่เคยเห็นมาแล้วนั่นเองนะอดีตอนาคตไม่ใช่ว่าไม่มีนิทานก็เป็นนิทานของปัจจุบันนั่นเองเพราะปัจจุบันเป็นผู้เคยผ่านเป็นผู้เคยเห็นมาภาพพจน์ของ อดีตนอนาคตพระพัจธเจ้ามีอะไรล่ะก็มีแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นนั่นภาะพจของพระพุทธเจ้าสมัครผลลัพธ์ที่ความเกิดขึ้นแล้วดับไปคืออะไรก็คือเป็นทุกข์เท่านั้นเมื่ออนิจจังละเอียดทุกข์ก็ละเอียดลงไปเสมอกันหมดเมื่อผู้รู้ละเอียดเท่าใดทุกข์ก็ละเอียดเท่านั้นจะยึดถือหรือไม่ยึดถือไม่เป็นปนัญหาเนี่ จะรู้เท่า ร, รู้ไม่รู้เท่าไม่เป็นปนัญหาเราเราจะหาเราลองดูสิเรามาหาพระนิพพานดูในโลกสิจะเห็นไหมไม่เห็นถ้าหาถูกเขาเป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นแต่พระนิพพานไม่มีในโลกอย่งแล้วพระนิพพานไม่มีในขันห้าเหตุนั้นจึงบัญญัติว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานะไม่บัญญัติว่าจิตเป็นพระนิพพาน ไม่บัญญัตว่าพระนิพพานเป็นจิตถ้าทําถูกเป็นน้นทางเข้าสู่พระนิพพานจิตพระละหันตายแล้วเอาจิตไปหรือไม่พระละหันตายแล้วเอาจิตไปพระนิพพานหรือไม่จะใส่ชื่อหรือนา ม, มาจิตหรือไม่พระละหันตายแล้วพระละหันไม่ตายใส่ชื่อหรือนา ม, มาจิตอยู่จิตก็พ้นจากกิเลสไม่ถือมั่นด้วยอุปาฏา ใส่ชื่อหรือนมามว่าจิตอยู่ส่วนพระฐานตายแล้วจะมาใส่ชื่อหรือนามก็ไม่ถูกถ้าไม่สมฐานะค่อยๆกับคนที่แก่แล้วแก้มตอบฟันหักแล้วจะมาเรียกว่าคุณหนูมันก็ไม่สมฐานะ พระนิพพานเอาเกียรติไปหรือไม่อนุปาทิเสสนิพานมรสีพผลสีนิพพานหนึ่งเอามรสี 4, คืออะไรโสดาภติมรสจั ก, จา ก, กาขาภติมรสนาคายมรสนารัตตมรพ้นสีคืออะไรโสดาภติผลจั ก, กาขาภครผลอนาคติผลอนหัตตผลนิพพานหนึ่งคืออะไรคืออนุปาทิเสสนิพานนโมโรกุตะธรรมก้าวหนือไม้ไม้พระหัน์ที่มีชีวิตอยู่ หมายพระนิพพานตายไม่ใช่พระนิหมายพระนิพพานเป็นพระทหารตายแล้วพูดหยาบๆเพื่อเข้าใจง่ายนักสี่พ้นสี่หมายถึงพระนิพภนิบนิพพานหนึ่งนิพพานในที่นี้หมายเอาอนุปาทิเสสานิพพานเมื่อในหมายสาอุปาทิเสตานิพพานดับกิียดยังมีเบญจขัน ส่วนพระอรหันต์ที่ตาย ท, ที่เกลียดตายแล้วแต่เบนจคันยังมีอยู่เรียกว่าสะอุปาทิเสตนิพานอนุปาทิเสตานิพานในที่นี้หมายเอามรรคสี่คนสีนิพานหนึ่งหมายเอานามโรขุตระธรรมเก้าพระอรหันต์ไม่ได้เอาใจไปใจกายเป็นธรรมอนไม่ตายแล้วก็พอเลยไม่เป็นหน้าที่ของพระบัญญัติอีกมันอาจเป็นแต่เพียงว่าถึงธรรมอนไม่ตาย ถึงอินทียอันไม่ตายถึงอายตนะอันไม่ตายอายอนตนะไม่ใช่ว่าตาหูจมกูกเล่นอนายตนะหยิบหยาอย่างนี้ธรรมายตนะที่ทําอันไม่ตายคือพระนิพพานเป็นธรรมอันไม่ตายพระนิพพานมีอยู่ก่อนแล้ว หลังคาลก็มีอยู่ก่อนแล้วเกลเอตก็มีอยู่ก่อนแล้วพระอาทิตย์ก็มาในยืนยันว่ากลเลตมาบังเราว่าเมฆหมอกมาบังเราเมฆหมอกก็มาในยืนยันว่า เราจะไปบังพระอาทิตย์ทำชันั้นไม่ทำชัดสูงชั้นใดก็ดีเราจะไปชิงตำแหน่งอัตาเราจะไปชิงตำแหน่งอนัตตาทำสองประเภทนี้ก็ไม่ได้ป่ารกเกินอัตาอนัตตาไม่ได้มาเป็นปัญหากัน ผู้ไม่รู้เท่าอัตตาและอนัตตาเป็นปัญหาตนเองต่างหากว่างของหนอกกันสิ่งที่ว่างและไม่ว่างก็ไม่มาเป็นปัญหากันผู้ไม่รู้ตามเป็นจริงของว่างและไม่ว่างเป็นปัญหาตนต่างหากว่างในพระสวสดาบาลว่างแบบนึงว่างในพระสกทาคามีว่างแบบนึงว่างในพระอนัตามีว่างแบบนึง ว่างในพระอรหันต์ว่างคณะแล้วว่างในพระพัจเจกก็ว่างในพระพัจเจกกระพุทธเจ้าว่างในสมมาสมพุทธเป็นว่างชั้นที่หนึ่งว่างชั้นที่สองคือพระพัจเจกว่างชั้นที่สามคือพระอาหารหันต์ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ว่างชั้นที่สี่คือพระอนาคามีทั้งเพศหญิงและเพศชายว่างขั้นที่ห้าคือพระชะคทาคามีทั้งเพศหญิงและเพศชายว่างชั้นที่หกคือพระสวสดาบันทั้งเพศหญิงและเพศชายว่างตามควานั่นลงมาเอาเป็นประมาณไม่ได้จับไปในทางโลกีก และเป็นทันทีที่โกขาวเป็นประมาณไม่ได้เป็นอาการที่โกขาวเป็นประมาณไม่ได้เพราะไม่ควรเอาไปฟันเฟือกันเพราะทางนี้เป็นทางโลกีฉะนั้นจึงมีโลกีวิมุตตหรือมีโลกุตระวิมุตต์มาปนไปกันก็พระเอา ศาสราอื่นมาปนไปกรบพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสิ่งเดียวแล้วเป็นโลกุตระศีลโลกุตระสมาธิโลกุตรปัญญาท่านั้นว่างจากโลกีแต่โลกุตระไม่ว่าง เต็มภูมิของพระหลานหลกุตลพระโสราบันว่างไหมว่างจากปาณาทิบาตรแม่ค้าสัตว์ตัดชีวิตว่างจากอันชินนาทานว่างจากกามเมีสุเมตชายจา์ ว่างจากมุสาว่างจากดื่มสุราว่างจากถือศาสด า, าอื่นไม่ได้ถือศาสดาอื่นมาบนเปว่างจากความถือตนถือตัวสักยทิฏฐิมีผู้น้อยเตือนถ้าเหตุผลพอพระโส ด, ดาบันก็ถือเอาไม่ถือมึงเป็นผู้น้อยมึงมาบอกกูกูไม่เอาละเหตุผล กูเสียเปียบมึงไม่มีในพระสวราดิ์วันรับฟังรับปิกนาเรียกว่าละสักกายะทิฏฐิไม่ถือตนถือตัวได้นักษะกายะทิฏฐิได้สิ้นเชิงโดยไม่มีเหลือแม้แต่นิดเดียวคือพระาราหันไม่มีอุปท า, านอยู่ในที่นั้นพระาราหันไม่สำคัญตัวอยู่ในปัจจุบันไม่สาคัญตัวอยู่ในอดีต ไม่สำคัญตัวอยู่ในอนาคตด้วยถ้าพระรหัสสำคัญตัวอยู่ในปัจจุบันพระรหัสก็ต้องจะได้รักษาปัจจุบันไว้มันคง ค, ค, คุณนักโทษถ้าไม่แค่นั้นแล้วมันจะเป็นโทษเพราะปัจจุบันอดีตอนาคตรพระรหัสไม่ได้มีโทษพระรหัสรักษาจิตไม่พระรหัสไม่ได้รักษาจิต เราจะทำยังไงกิตของเราจรึงจะดีกว่านี้พระหัต์ไม่ได้ม่ไม่ได้สนใจพอมันดีพอแล้วชั่วมันก็ละพอแล้วดีก็ดีพอแล้วเหนือดีพอแล้วชั่วกะละพอแล้วเหนือใดใดทั้งปวงแล้วเหตุเชนนั้นจึงอยู่เหนือดีเหนือชั่วเมื่ออยู่เหนือดีเหนือชั่วแล้วก็ไม่ต้องระวังอะไร พ่อแม่กลัวมันจะผิดสิ่งที่มันไม่ผิดจะระวังทำไมเห็นใะนไหมพระทหารจรึงไม่ได้ระวังที่พระทหารเดินจงวรมพออาณาก็ทําตามทำเนียมเฉยเฉยมื่อได้ทาเพื่อละกิเลสเช่นเจริญเมตตาก็เหมือนกันจเจริญเมตตาเพื่อให้ละโกรธไม่ได้เป็นอย่างนั้นจเจริญอสุภะเพื่อให้ละกามะสัญญาเพื่อมาให้ราคะ มากระทบก็เทือนใจไม่ได้มายอย่างนั้นเจริญไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นมันจะของผู้อื่นพ่อมพ่อรมหายใจเข้าออกไม่ใช่จะให้อุปาทานขาดไม่ใช่จะเจริญอนัตตาเพื่อจะทําลายอุปาทานเจริญเพื่อเป็นเครื่องหูของขันธมเจฉาบัณฑ์ น, น, นี่เป็นธรรมชาตสูงมากเหลือวิสัย ที่จะเดาดอนาพาดคณีประทานแต่ละอย่างละอย่างมันก็ส่งต่อพระนิพระนหมดไม่ใช่ไม่ส่งต่อมาคนเห็นลงข้าวข้างเดียวเห็นอนัตตาชัด ทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมกันในขณะเดียวไม่ใช่ว่าขณะนี้เป็นอนิจจังขณะนี้เป็นทุกขงังขณะนี้เป็นอนัตตาอันนั้นจะจัดเป็นการอย่างนั้นไม่ถูกมันอยู่ในขณะเดียวกันเลยค้ากับหนังกับเนื้อกับเอ็น ก, กับกระดูก เมื่อยิบหนังแล้วจึงจะมีหนังมันก็ไม่ถูกยิบถูกเนื้อเนื้อจึงจะมีมันก็ไม่ถูกถูกหรือวมาถูกก็ตามมีทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งกระดูกมันมีอยู่ก่อนแล้วนะฉันไหนก็ดีอันนี้จังทุกครั้งอาราตามันก็มีอยู่ในเป้าอันเดียวกันคือเป้ารูปเป้านามนั่นเองเป็นแต่เพียงขณะคิตเราเห็นเฉยๆไปเล่มก้างเฉยๆ ไอ้ที่แท้ดินน้ําไฟลมมีอยู่ก่อนแล้วเราจึงบรรยับญญได้ถ้าดินน้ําไฟลมไม่มีอยู่ก่อนเราก็บรรยับไม่ได้เราไปบรรยับที่หลังว่าดินว่นาน้ําว่าไฟว่าลมก็ไปเลีมก้างเฉยๆทุกสิ่งทุกอย่างมันมีในปัจจุบันหมดแล้วเหตุฉะนั้นท่านจึงสอนให้รู้จักสังง่งกระโหนสงเรฆ์ลงมาในคณะเเดียว เช่นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์อย่างนี้ก็เหมือนกันก็ครบแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เกี่ยวเช่นมรรคเปรก็มีครบแปดเปี่ยวเช่นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตอนไหนไหนส ม, มาทาัศน์โพตอนนั้นก็เห็นชอบด้วยสัมมาวาจาตอนนั้นก็เห็นชอบชอบด้วยสัมมากรรมตัวตอนนั้นก็เห็นชอบด้วย สมาอาชีโอยังชีวิตชอบตอนนั้นเคยเห็นชอบด้วยม ส, สมาสมาสติตอนนั้นก็ระลึกชอบด้วยสมาสติที่สมาธิตอนนั้นก็ระลึกชอบด้วยนะมันเป็นไปในคณะเดียวกันสิน์ห้าทงานกันเมื่อภาณที่บาเว้นแล้วอทินากนารเอมุสาสุลามันก็มีอยู่ในขณะเดียวกันเม่บัญญัตกิก็ได้เช่นนิ้วมือห้านี่ หนึ่งสามี่ห้าไม่ต้องว่าก็ได้นี่ห้าอย่างไรเพราะมันครบแล้วนับหนึ่งหนึ่งจึงจะมีไม่ใช่นับสองสองจึงจะมีไม่ใช่นับสามสามจึงจะมีไม่ใช่นับสี่สี่จึงจะมีไม่ใช่นับห้าห้าจึงจะมีไม่ใช่มันก็มีต่างกันก็บอกว่าห้าจะละกัหมดกันทุกถึงทุกอย่างครบนะทันงทั้งปัจจุบันอดีตอนาคตศีลมีตัวเรียว สมาธิม really. ีตัวเดียวปัญญามีตัวเดียวศินสองรอยยี่สิบเกียถ้าไม่ทำผิดก็มีศินตัวเดียวศินห้าถ้าไม่ทำผิดก็มีศินตัวเดียวรวมก็เป็นเชือกห้าเสี้ยวสินแปดถ้าไม่ทำผิดก็มีศินตัวเดียวรวมเป็นเชือกแปดเสี้ยวสินสิบทำงานกันถ้าไม่ทำผิดก็มีศินตัวเดียว เป็นเชือกสิเปี่ยวสมาธิก็ตั้งมัน่นญญ ล, ลงในตัวเดียวปัญญาก็รอบรู้ลงในตัวเดียวศีลก็ตัดศีลลงในตัวเดียวในปัจจุบันสมาธิก็ตั้งมั่นลงในตัวเดียวในปัจจุบันปัญญาก็รอบรู้ตัวเดียวในปัจจุบันพระคือทำกำลังห้าอย่างรัทธาเชือ่อสิที่ควรเชื่อลงในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบัน มริทยะเพียนในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันจิจตะเอาใจฟักไว้สติและลึกในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นไว้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันทกลงพระ พระไม่ทำันกำลังห้าอย่างพอดีเนื้อทำจักษีดุดยอดลดไปสู่ความเจริญก็มีในปัจจุบันอันเดียวกอน น, นี่เรียกว่าทังขหูล่นลงมาถ้ามาย่นลงมามันก็ไม่ไหวเช่นอาหาร ถ้ามันยอดลงมาในท้องมันก็ไม่ไหวอันนั้นก็แกงอันนี้ก็น้ำพริกอันนั้นกับ่านน่นน้ำพริก อ, นนอันนี้ก็ผักต้มอันนั้นก็กระปิอะไรต่ออะไรยอดลงมาในนี่มันจึงถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่เสร็จย่ดลงมาในนี้เลยเวลาถ่ายก็าย่นออกครอมกันเลยเวลากินเขาเขา้าปล่าครอมกันเลย เราก็ไม่สงสัยเลยนี่จะปฏิบัติน้อยก็ไม่สงสัยจะปฏิบัติมากก็ไม่สงสัยจะเจริญกรรมฐานอันไหนก็ไม่สงสัยถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องเลือกกรรมฐานเพราะอันไหนก็ถูกหมดนลยเราก็ลันตีดินอยู่นี่เราไม่ได้ถือว่าตีอยู่ที่ปูเจ้า ก, ก้อนอย่างเดียวจนถูกทั้งอเมริกาด้วยรัสเซียด้วยก็ ประเทศนั้นมีธาตุดินน้าไฟลมเหมือนกันเนี่ไม่ใช่มีแต่ประเทศไทยเช่นเห็นอันนี้จังชัดมันก็เห็นรอบโลกเหมือนกันรอบสังขารเหมือนกันพอโลกและสังขารเต็มไปด้วยอันนี้จังอ น, นัตตาของเหมือนกันถ้าอยางนั้นก็ไม่ต้องกอสงสัยก็ต้องจะได้ลงทุนไปขี่เครื่องบินไปเที่ยวดูซะก่อนตายก่อนอะ อย่าเช่นพระพหลมนศาสตรานั่นั่งอยู่ที่ร่มโพอย่างเดียวจึงสิ้นความสงสัยหมดโลกับวิถูผู้แจ้งโลกลูกความเกิดขึ้นแปรปรวนในระดับไปเขาจะขอรูปแจ้งโลกเหมือนกันขนาดที่นั่งรถเนี่ยลืมตาอยู่างเงี้ยแต่ก็อยู่กับ มีมองมือฟังติควรมสงสัยไปเองม็เหมือนไม่มีอะไรเลยมองไปไม่มีอะไรแล้วท่านเอ๊ะต่างมาให้มือติดเอะทำไมเมื่อกี้นอนไปไม่มีอะไรแล้วก็มาทบทวนหมือนันเพราะว่าเรามองมันมอง็นทะลุมันก็ไม่มีไอ้ต้นไม้หรือว่ารถรอวึกไี่บ้างให้มันมันไม่มีความสมรณ์มันก็มีนองทำให้เรานองไป แล้วเ่อตอนนี้นั่งนั่งก็ชอบนั่งหลับตาพอมทาที่ ต, ตอพอมาตอนนี้มนไม่หลับตาแต่เรามองแต่เมองไม่ได้อยู่กับตาที่ทํามองมันมองด้กับอย่างนี้พอลรำพึงแบบเอ๊มันไม่หลับตาเหมือนเมื่อก่นก็นทําให้เป็นธรรมชาติถ้าหลับตาด้วยลืมตาก็ทําให้ได้มันจะได้เป็นธรรมชาติมันมองด้วยปัญญามันไม่ได้มองด้วยตาหนอก ปัญญามันมีอยู่สี่ประเภทจักหูปัญญาปัญญาจักสุสัมปตจักสุจักสุรอบครอบสงฆข้อข้อในปัญญาเหมือนกันที่ประจักหูจักหูเทียบปัญญาจักสุจักสุปัญญา พุท ธ, ธจ้าขูาจักสุพระพุทธเจ้ามังสาจักสุขจักสุคือดวงตาสิ่งไหนที่มันเห็นด้วยปัญญาและเห็นในความรับผิมันก็จัดเข้าในปัญญาจักสุขปัญญาจักสุมันส่องทะลุได้หมดมันไม่มีที่ปิดบังมันไม่เหมือนมังสายจักสุจักสุขคือดวงตา กสุคือดวงตามีที่วางปัญญากสุไม่มีที่วางเห็นอเนจังคัดอย่างนี้มันบังที่ไหนมันก็ทะลุหมดทั้งภูเขาเรียกว่าส่องทะลุทั้งภูเขาเลยเพราะเขภูเขาอยู่ใต้อำนาจอเนจังนส่องทะลุเลยส่องทะลุจนถึงผมิมลโลกเพราะมิมลโลกอยู่ใต้อเนจังเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้ว มันจะยินดีอะไรในโลกทั้งปวงมันเห็นความไม่เที่ยงชัดก็เอาเถอะมันก็มายินดีในโลกทั้งปวงเหมือนกันมันเห็นทุกชัดก็เอาเถอะมันก็ไม่ยินดีในโลกทั้งปวงเหมือนกันสรายรับของของโลกก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นผลของสิ่งที่ไม่เที่ยงก็คือเป็นทุกข์ผลของสิ่งที่ทุกข์มันก็ทุกข์อยู่ตายตัวแล้ว ผลสิ่งที่เป็นอนัตตาเราแยกออกเป็นสองอนัตตาในพระนิพพานไม่ใช่ทุกอนัตตาในสังขารเหนือกว่าทุกพระพุทธศาสนาแยกลดแยกรสชาติของอนัตตาออกเป็นสองแพร่งแพร่งหนึ่งอนัตตาพระนิพพานไม่ใช่ทุกเป็นอนัตตาสุขอนัตตาแพร่งหนึ่งอนัตตาในสังขารจัดเป็นอนัตตาทุก อนัตตาในทางพุทธศาสนาแยกออกเป็นสองทางส่วนอ น, นิจจังแยกออกทางเดียวครับทุกแยกออกทางเดียวฉะนั้นกล่าวตั ว, วอนัตตาในพระนิพพานก็เป็นทุกอย่างนี่มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกหมดเพระบรมศา ส, สดามาด้ว่ายอย่างไรทำอนุไม่ตายมีอยู่ ทำอนมุมาตาก็เป็นอนุตตาทำเหมือนกัน